จะไม่ให้วิบัติเลยยกตัวอย่างเช่นในเรื่องพระวินัยทั้งหมดเนี่ยนะก็คือกายะประโยคะ์ขาวจีประโยคน์ข้ในที่มุงที่บังในกลางคืนเนี่ยนะ่าสมมุติว่าบ้านนี้มีผู้หญิงค้างอยู่ด้วยในหลังเดียวกันเนี่ยบอกวินัยบอกเลยห้ามพักร่วมกันห้ามค้างคืนในที่นั้นในที่ที่มุงที่บังอันเดียวกันกันกบมาตุคามห้ามนอนในคืนนั้นเลยถ้าล้มตัวลงนอนเมื่อไหร่เป็นอาบัติทุกๆครั้งที่ล้มตัวลงนอนอเงี้ยมีวินัยห้ามไว้เลยอย่างนั้น หรือว่าพระพิสุเนี่ยจะไปชวนมาทุกขวามชักชวนเออไปรุ่นด้วยกันนะอย่างเงี้ยไม่ได้เลยถ้าวินัยบัญญัติไว้เลยห้ามชักชวนเดินทางร่วมกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีวินัยตั้งหลายข้อฉะั้นเรื่องนี้ได้รับการวางแผนก่อนไม่ใช่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนจึงแตกต่างกันค่อนข้างมากกู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมคําว่าคุณใหญ่ก็คือศีลคุณที่ใหญ่ สมาธิคุณที่ใหญ่ปัญญาคุณที่ใหญ่วิมุตติคุณที่ใหญ่แล้วก็วิมุตติญาณทัศน์คุณที่ยิ่งใหญ่เป็นชื่อมาจากบาลีว่าพระมเหสีพระมเหสีเจ้าพระพุทธเจ้านะเป็นคําของพระพุทธเจ้าเขายกพระพุทธเจ้าว่าพระมเหสี ah ก็คือผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แต่ว่ามหิสีแบบภรรยานี้แปลว่ายังไงไม่ทราบนะแต่ว่าในพระไตรปิฎกนี้คําว่าพระมเหสีก็หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่ ในเล่นนี้ให้ไว้ถึงสิบเอ็ดหัวข้อถ้าหากว่าจําได้สักห้าหัวข้อนี้ก็ 5, 6, ห้าหกหกข้อนี้ก็ใช้ได้ล่ะนะฮะห้าหกหัวข้อเนี้ก็ท่าคัดมาจากคุตกะนิกายปฏิสัมพิธามะในนั้นมีห้าข้อใช่ไหมครับห้าข้อนี้ก็ครอบคลุมทั้งสิบเอ็ดข้อสิบเอ็ดข้อละเอียดกว่านั้นนะครับแต่ถ้าห้าข้อนี้ก็ ก็พอระลึกได้แล้วนะเป็นผู้ไกลจากกิเลสทำลายค่าศึกคือกิเลสทำลายซี่การแผงสังสาระจักเป็นผู้ควรแกการบูชาด้วยปัจจัยและสการะไม่มีความลับในการกระทำบาปห้าข้อเนี่ยนะฮะยังไงยังไงนะต้องท่องให้ได้เด็ดขาดเพราะผมมีอายุ ขณะนี้แล้วทองได้ท่านนาตายังสดใสอยู่ยังเป็นละอ่อนอยู่นี่ต้องทองทองได้แน่นอนแล้วทรงไว้แล้วต้องเอาไปตึกด้วยผมยิ่งศึกษาพระไตรปิฎกผมยิ่งเห็นด้วยกับที่ท่านอาจารย์สมบัติแนะนำผมนะฮะแต่ก่อนนี้ผมก็อ่านแล้วก็ไม่ค่อยได้สังเกตเห็นนะตั้งแต่ได้มาเรียนกับท่านพระอาจารย์สมบัติท่านชี้ให้เห็นว่า การที่จดจำไว้เป็นสิ่งจำเป็นซึ่งผมเองก็ฟังท่านใหม่ๆผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าไอเรามาคี้เกียจจำอย่างหนึ่งนะแล้วก็นึกว่าเป็นความเห็นของท่านเองผมนึกในใจนะว่าท่านแนะนําผมเนี่ยมันเป็นความเห็นของท่านเองนะท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลมเป็นผู้ที่จดจำเก่งนี่เพราะฉะนั้นเนี่ย เอท่านจะมาแนะนำเราเราไม่ค่อยจำใช่ไหมก็ไม่ค่อยเชื่อถือแต่เมื่อศึกษาพัฒไต้ปดกไปมากๆแล้วนะฮะจะปรากฏคำที่ว่าให้ทรงไว้นะครับแล้วก็บอกตรงๆเลยนะว่าให้จำไว้ซึ่งพุทธพจน์เนี่ยมีมากมายทีเดียวในสมัยพุทธกาลนะฮะ ท่านไม่มีโอกาสมาจดอย่างนี้นะครับท่านไม่มีโอกาสมีเอกสารมีตําราอย่างนี้นะสมัยพุทธกาลเมื่ออาจารย์เมื่อพระหรือว่าพระพุยภาคสงสแสดงนั้ น, น่ะเมื่อแสดงไปแล้วนี่ไม่ใช่มานั่งจดอย่างนี้ไม่ได้อัดเทปเอาไว้อย่างนี้ด้วยแต่ท่านฟังแล้วท่านจําได้เลยและส่วนใหญ่ท่านจําท่านจําได้แต่ถ้าหากว่าเป็นพระที่มีปัญญามากๆนะฮะท่าน จำไดม้มากมายเลยนะแต่ผมก็เชื่อว่าในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยเรื่องการจดจําเป็นของธรรมดาของเขานะครับพอมาในสมัยนี้เนี่ยเนื่องจากว่าจิตของเราเนี่ยไม่ควรแกการงานคือสภาพจิตของเราเนี่ยมันมีอุทธักระเยอะมันมันไม่ค่อยสงบอยังสมัยโบราณการจดจําก็ยากนะครับเมื่อเมื่อท่านกล่าวท่านพระอาจารย์ธมบัตรบอกกล่าวให้จำํำนะเดี๋ยวนี้ผมยอมรับแล้ว เพราว่าปรากฏในพระไตรปิฎกต้องจําทรงไว้จําไว้จึงจะชื่อว่าสุดธรรมยปัญญาจึงชื่อว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังถ้าเราไม่จํานะครับไม่มีทางที่เราจะเอาหัวข้อ น, นั้นมาตึกนี่ผมยอมรับเลยแล้วผมก็เริ่มเริ่มที่จะจดจําเมืนะ่อถ้าผมจําได้เนี่พวกท่านจะต้องจําได้เพราะว่าผมก็อาอยุขันธ์มากที่เดียวมีผู้การนะั่นแก่กับผมหน่อยเดียว นีนอกนั้ น, น, นผมน้องผู้การน่ะคุณจุกอุมผมก็เป็นน้องอ่ะคุณจุกอุ่มก็เก่งเพราะนั่นต้องจําให้ได้โดยเฉพาะพุทธคุณนี่นะถ้าจําแล้วจำมีประโยชน์กับเรามากเลยถึงชาวฉุกละหุกขับขันยังไงนะเรานึกออกพอชีวิตขับขันยังไงนะถึงขั้นเป็นขั้นตายยังไงนะเรานึกออกไม่ต้องให้ลูกหลานมากระซิบ ท, ที่หัวอนหะังอรหังอหังดีไมนะ่ดีเข้าใจาเป็นอย่างอื่นในยุ่งเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่หัวข้อต่างๆเหล่านี้นะฮะ ต่อไปท่านจะต้องจําได้แล้วผมข้อจาได้เกือบหมดแล้วเนี่ยนะผมจําได้เกือบหมดแล้วก็ทําไม่เชื่อท่านอาจารย์จะทดสอบผมบ้างก็ยังได้นะแต่ว่าการเรียงหัวข้อนั้นอาจจะไม่เรียงก็ได้นะเพราะว่าจะเรียงเปียกเลยนี่แหมยากเหมือนกันนะอาจจะสลับข้อ บ, บังอ้อทำไมจะไม่ได้ล่ะครับนหลักคาแผลดีที่สุดแล้วแต่นี่หัวข้อมีไว้ตึกคือผมพูดซันไปนิดนึงนะ ในพระสูตรเนี่ยในพระธรรมเนี่ยนะให้ทรงไว้คือให้จำไว้นะจำไว้แล้วนามานามาเพ่งพิจารณานํามาเพ่งพิจารณาเนี่ยถ้าเราไม่มีหัวข้อเราเพ่งไม่ออกเราพิจารณาไม่ออกใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรามีหัวข้อเราก็เพ่งพิจารณาออกเมื่อเพ่งพิจารณาออกแล้วนี่นะครับพระธรรมจะทนต่อการเพ่งเพราะเป็นสัจธรรม ทนต่อการเพ่งยิ่งเพ่งไปยิ่งเห็นยิ่งพิจารณาไปยิ่งเห็นชัดว่าเออพระธรรมเป็นอย่างนี้นะเมื่อพระธรรมเนี่ยทนต่อการเพ่งแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกมีชันทะมีความพอใจที่จะศึกษามีความรักที่จะศึกษาต่อไปเมื่อมีอย่างนั้นแล้วตามมาด้วยความเพียรขออนุญาตถามพุ ก, การนงชัยหน่อยนะครับตามที่แม่องคําว่า ท่านสวดมนต์ทั้งเช้าทั้งเย็นนะแพล่ด้วยมีความเข้าใจด้วยนะครับก็อยากจะเรียนถามผู้การนุชัยว่าการสวดมนต์นะครับรู้ทั้งคําแพลด้วยกับการตรึกเนี่ยแตกต่างกันหรือไม่คือท่านสวดมนต์ธรรมวัตรชาธรรมวัตเย็นเนี่ยเท่ากับว่าท่านเอาพระสูตรมาสาธยายถูกไหมฮะบทธรรมวัตรชาธรรมวัตเย็นนั้นเนี่ยเป็นพระสูตร เมื่อ น, นำมาสาธยายเนี่ยนะครับถ้าหากว่าท่านสวดก็เป็นการสาธยายอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ถ้าท่านนํานํามาดตึกคือหมายความว่าท่านนำข้อความเหล่านั้นเนี่ยเอามาตึกทีละหัวข้อเพราะว่าบทสาธยายท่านยาวใช่ไหมธรรมัตเช้าธรรมวัตเย็นนี่ใช่ไหมฮโอ้โหเรื่องเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะแต่ท่านลองดึงมาสักจุดหนึ่งหัวข้อหนึ่งเนี่ยนะแล้วเอามาตึกดูว่าเป็นอย่างนั้นไหม อันที่จริงนะฮะในพุท ธ, ธานุสตินี้นะฮะข้าหากว่าท่านทรงไว้ได้หมดนะแล้วท่านตึกได้ทุกหัวข้อนะครับเท่ากับว่าเป็นการย่อหัวข้อในพัฏปัยปิฎกเกือบหมดเพราะว่าหมดเหมือนกันนะหมดไปทันสดงว่าเยอะแยะเลยอยู่ในนี้เลยไม่เห็นมันพ้นไปจากไหนเลยนะตั้งแต่ข้อคำว่าอรหังคำว่าสัมมาสัมพุทธโธตัดสรุชอบเดยเพระองค์เอง เลยไปถึงวิชาแปดจารณะอีกสิบห้าแล้วก็มีสุขโตมต้องโลกวิทูอีกอู้โหนะเยอะแยะเลยทั้งหมดนี้นะฮะเมื่อแต่งมาแล้วในหัวข้อเหล่านี้นะครับก็คือครอบคลุมพระธรรมทั้งหมดเลยนี้ถ้าจะตึกมากตึกน้อยเนี่ยตึกได้มากตึกได้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเรามีข้อมูลเรามีความรู้จากการฟังจากการเรียนทุกวันทุกวันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าวาท่านสามารถลงไปศึกษาในพระไตรปิฎกได้นะฮะ ท่านก็จะตรึกได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยอย่างผมสวดมนต์นะอรหังสัมมาสัมพุโทโธพะวาเนี้ยนี่ผมสวดผมเข้าใจความหมายด้วยแต่การตรึกหนะ้าผู้การช่วยอธิบายว่าทําไงจะตรึกให้ที่จะตรึกมาแล้วตรึกยังไงครับเออเช่นสมมุติ ว, ว่าถ้าเราตรึกนะฮะสัมมาสัมพุโทโธนี่นะฮะพระองค์ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองเนี่ย ถ้าเราจะสาธยายเราก็สาธยายเพียงเท่านี้ใช่ไหมครับพระภุทธภาพพูดตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเนี่ยนะฮะแล้วเรานํามาตึกว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรพระองค์ตรัสรู้อะไรบ้างพระองค์ตรัสรู้อริยสัจสี่พระองค์ตรัสรู้เรื่องขันห้าพระองค์ตรัสรู้เรื่องอายตนะสิบสองท่าสิบแปดนะครับพระองค์ตรัสรู้หมดเลยหรือว่าถ้าจะกระจายลงไปอีกว่าพระองค์ตรัสรู้ในเรื่องของ อารมณ์หกวิญญาณหกล้วก็ถ้าเรามีความรู้ใช่ไหมฮะแล้วก็ตึกลงไปว่าทาวารหกผัสสะหกเวทนาหกตัณหาหกแล้วหกมีอะไรบ้างเราก็ตึกไปอีกคือถ้าเรามีหัวข้ออย่างเงี้ยเราก็ได้โอกาสตึกลึกลงไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราสาธยายก็เพียงแต่ว่าออพระองค์ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองก็เพียงเท่านี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราตึกลงไปอีกนะว่าพระองค์ตรัรสรู้อริยสัจสีอริยสัจสีมีอะไรบ้าง เราก็รู้เลยพอเราเรียนมแล้วทุกขริยสัตว์ทุกขสมุทัยอริยสัตว์ทุกขนิโรธอริยสั์ทุกขนิโรธคามนีปฏิปทาอริยสัจพอเราเรียนสีอย่างนี้แล้วนะทุกขริยสั์ได้แก่อะไรบ้างเราก็ตึกมาอีกอ๋อทุกขอริยสัตว์รรนี้นะได้แก่ถ้าเราเรียนพระพิธรรมมาเราก็ตึกว่าอ๋อถ้าจกจิตแปดสิบอ็ดนะถ้าแก่อุ ป, ปาทานะขันห้าอย่างแม่รูปยี่สิบแปดเจตสิกห้าพสองใช่ไห ม, 28, 7, 5, 2, อ, ไหมอ๋อเราก็ตึกลงไปอีก ก็ตึกไปอกวอพระผู้มีพระคัมภีทรงตรัสให้ให้เรากําหนดรู้ใช่ไหมในทุกบริษัทเนี่ยแน่เรากําหนดรู้โดยปริญญาสามปริญญาสามมีอะไรบ้างเราก็ไล่ไปเรื่อยปริญาตัดปริญญาตีนะปริญญาพาณปริญญาเรญญาก็ตึกลงไปอีกพอตึกไปแล้วเนี่ยเราตึกไปอีกวเอ๊ะทําไมพระองค์จึงเรียกว่าทุกข์ในอุปาทานขันธ์หเนี่ยทําไมพระองค์จึงเรียกว่าทุกข์นะจิตแปสิบอ็ดดวงเนี่ยมีทั้งมีทั้งอกุศลจิตเออเป็นทุกข์จริง เอ๊มีฝ่ายกุศรจิตเป็นทุกข์ได้ยังไงนะเราเราตึกไปใช่ไหมเอ๊ะรูปเป็นทุกข์ได้ยังไงทําไมจึงเรียกวัดทุกข์ทุกข์มันต้องไม่ดีแนะ่นี่คือการวิเคราะห์วิจัยธรรมะถ้าเราไม่มีหัวข้อนี้นะเราจะเริ่มต้นยังไงที่ผมยกตัวอย่างว่ะแล้วแต่ผู้ใดจะสามารถตึกได้มากตึกไดน้อยพอเราตึกตึกไปเราเฉยเนาโอ้นี่มีความลึกซึ้งอย่างนี้นะเราก็จะเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าโอ้พระคุณ พระองค์นั้นมีพระปัญญาคุณขนาดนี้นะพอเราตึกไปได้เหตุได้ผลใช่ไหะโอ้พระองค์ก็มาแสดงกับเรานะถ้าเราไม่มีพระองค์เราก็ไม่มีทางที่จะรู้สิ่งเหล่านี้เลยไม่รู้ธรรมะเหล่านี้เลยเราก็จะเห็นพระปัญญาคุณพระกรุณาคุณของพระองค์นี่นี่เป็นตัวอย่างของการตึกนะครับแล้วเราก็สงเคราะห์ไปว่ามีอยู่สามพระคุณเนี่ยนะพระกรุณาคุณพระพปฏิสุขคุณพระปัญญาคุณเนี่ยนะสามอย่างนี้นะเขาจะหนีไม่พ้นนี่นะ ถ้าเราตึกแล้วได้เหตุได้ผลนะเราก็มีความชื่อนอกชื่นใจนั่นแหละนะจิตเป็นกุศลแล้วก็เป็นญาณสัมปยุทธ์ด้วยแล้วก็มีโสมนัสประกอบด้วยโอ้เจ๋วเลยนะแล้วการตึกเนี่ยถามว่ามันเป็นกุศลวิตกเลือกอกุศลวิตกมันเป็นกุศลวิตกนะฮะพระเจ้าบอกให้เจริญเยอะๆนี่เป็น สมรถะประเภทหนึ่งนะฮะทำให้จิตของท่านพร้อมที่จะไปศึกษาสูงสูงขึ้นไปถ้ากับว่าเราได้ศึกษาในไตรสิกขาละศีลสิกขาจิตตสิกขาแล้วก็มีโอกาสละแต่ก่อนนี้เราไปท่องพุทโธพุทโธอยู่คำเดียวเนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีแต่ว่านิดเดียวใช่ไ้มถ้าเราขยายว่าพุทโธคืออะไรโอ้โหเยอะแยะเลย เพราะฉะนั้นการท่องจำหัวข้อนี่ที่ท่านอาจารย์ิดคัดมาทั้งหมด น, นนี้เนี่ยนะฮะเราต้องต้องท่องให้ได้ท่องเอาไว้ก่อนถ้าตึกไม่ออกก็เอาท่องแค่นั้นอะพอละก็ยังดีก็ท่านนิมนต์ครับเคยฟังมาตอนบวชใหม่ๆนะก็บอกว่าบวชมาแล้วรู้หนะ้ารู้โมหรื อ, อยังกันเคยได้ยินนะมคนโบราณเขาจะถามว่า บวชเข้ามาแล้วรู้นะรู้โมหรื อ, อยังเขาว่างั้นนี่ถ้ามีคนถามเราว่างั้นโอ้มาทุกวันอาทิตย์อย่างเงี้ยรู้นะรู้โมหรื อ, อยังเขว่างั้นรู้นัโมหรือยังเขาว่างั้นเราจะตอบเขาว่าไงถ้าคนเขาถามว่ารู้นัโมหรื อ, อยังเราจะตบอบเขาว่าไงเพราะนัโมนี่ตั้งบไว้แล้วเกินในพุทธศาสนาของเราเรนาะนัโมตัสสะเพราะว่าตัวเะาตัวสัมมาสัมพุทธะตั้งกันอยู่นั่นไง มาบ่อยแล้วเกินมองอั้นรู้หน้ารู้โมหรือยังคะว่าถ้าเป็นพระหนุ่มเน้นนอยก็บอกถ้ายังไม่รู้หน้ารู้โมก็ยังเพิ่งคิดอยากศึกษานะคะว่าศึกษาให้รู้จักรู้หน้รู้โมก่อนเอนนโมดีอย่างไรหนโมคืออะไรนะ ค, ความนอบน้อมห น, โ ม, นโมก็คือความนอบน้อมความนอบน้อมมีกี่อย่างความนอบน้อมมีอยู่สามอย่างด้วยกันนอบน้อมทาง กายนอบน้อมทางกายเรียกว่าอะไรยกมือไหว้การกราบเป็นต้นเรียกว่านอบน้อมทางกายนอบน้อมทางวาจาก็คือการกล่าวคํานอบน้อมการกล่าวคําสรรเสริมต่างๆอันนี้เรียกว่านอบน้อมทางวาจาแล้วก็ความนอบน้อมทางใจตามลำนึกด้วยใจดังนั้นความนอบน้อมมีอยู่สามประการด้วยกันทำว่านอบน้อมทั้งสามอย่างนี้ ไหนดีที่สุดเลยในสามอย่างนี่นะกายวาจาและใจไหนดีที่สุดในกายวาจาใจนั้นทางวาจานี้ประเสริฐมากเพราะเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นบุคคลอื่นก็จะได้ทิฏฐานุคติเขาถือเอาแบบเอาเยี่ยงเอาอย่างได้เขาก็จะรู้ความหมายไปกับเราด้วยใช่มถ้าเรายกมือไหว้วววเฉยๆเนี่ยประลกตลกเอ้ก็ไหวอะไรเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจไม่ถูกนะัก แต่ถ้านอบน้อมด้วยใจอย่างเดียวเอ๊ทําอะไรกันคนก็มองไม่เห็นแต่ถ้านอบน้อมทางวาจาคนก็จะ เ, เขานอบน้อมด้วยความรู้ความเข้าใจนะเพราะว่าการสื่อความหมายให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ก็อาศัยวาจาในการนอบน้อมทั้งสามอย่างเนี่ยถามว่านอบน้อมทำไมถ้ามีคนถามว่าทำไมต้องนอบน้อมอในสามอย่างเนี่ย นอบน้อมแล้วได้อ น, นิสงอะไรท่านแรกก่อนนอบน้อมทำไมข้อสองนอบน้อมเพื่อประโยชน์อะไรการนอบน้อมคืออะไรก็คือการถึงไตรสรณะคมอีกอย่างหนึ่งในวิธีการถึงไตรสรณะคมสี่ประการด้วยกันเพราะว่าบ่งบอกถึงความที่เรานั้นมีพระตนะไตรเป็นที่เคารพเป็นที่บูชา เป็นที่เทอทูลสูงสุดเลยการถึงพระตาตรายสี่อย่างอย่างที่หนึ่งเาเรียกว่าอะไรนะการมอบกายถวายชีวิตอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือการท่านเป็นที่ไปในเบื้องหน้าข้อสามข้อสามก็คือความเป็นศิษย์ของท่านและข้อสุดท้ายการนอบน้อมของท่านอย่างยิ่งเหมือนกับที่อร ะ, ะกยับเป็นต้นน่ะ บอกว่าข้าพเจ้าจะออกจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อน อ, นอบน้อมพระทนตรัยเพราะนของเราทั้งหลายเวลาไปที่ไหนเราก็ต้องตั้งล้ำลึกถึงนอบน้อมพระทนตรัยจะทํากิจใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะได้ตอกย้ําในการถึงสรณะของเราด้วยอย่างหนึ่งว่าเราเองนั้นไม่ได้มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งนะที่พึ่งที่ประเสริฐสูงสุดของเราก็คือ พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าคือสารณะคือที่พึ่งเราขอมอบกายถวายชีวิตนี้แ ด, ด่ท่านเราขอนอบน้อมท่านแม้แต่จะอยู่ที่ไหนจะหลับจะนอนเป็นต้นก็สวดมนต์ตามลำลึกนึกถึงคุณของท่านทีนี้ถ้าใช้คําว่าตามลำลึกนึกถึงคุณของท่านแสดงว่าเรารู้คุณเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออท่านเป็นพระอรหัน์นะ ถ้าเขาถามว่าเป็นพระุอรหรนันต์มีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายกี่อย่างอะไรบ้างอรหังสัมมาสัมพุโทโธคืออะไรใช่ไหมคนที่ตามระลึกแล้วก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าความหมายเหล่านั้นนั้นคืออะไรถ้าตามระลึกแล้วไม่รู้เอ๊ะจะเอาเป็นสาระได้เลยเอ๊ะหรือหรือเอาใครเป็นสาระกันแน่ใช่ไหมเราต้องทําความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ให้ชัดเจนเป็นประตูเบื้องแรกในการเข้าถึงพระพุทธศาสนา ถ้าหากว่าคำถามคำตอบเบื้องต้นเหล่านี้ผู้ใดไม่เข้าใจก็เข้าถึงพระพุทธศาสนาน้อยไปเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะว่าพระศาสนาดีมากแต่ว่าเราเข้าถึงขั้นน้อยเกินไปการถึงพระพุทธศาสนาของเรานี้เศร้าหมองแล้วการถึงสารณคมจะเศร้าหมองด้วยเหตุสองประการหนึ่งไม่รู้ในคุณพระรัตนตรัสองสงสัยในคุณของพระรัตนตรั ไม่รู้กับสงสัยเนี่ยเป็นเหตุให้เศร้าหมองเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นของดีเราก็รักษาไม่เป็นไม่รู้ว่าควรรักษาไว้ในฐานะใดเมื่อเราไม่รู้ว่าควรรักษาไว้ในฐานะใดเราก็ไม่เป็นมงคลใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นปูชาจะปูชนียานังอะไรเป็นสิ่งที่ควรบูชาในชีวิตของเรานี่มีอะไรเป็นสารณะมีอะไรเป็นที่พึ่งสูงสุดแล้วชีวิตของเรานี่มีอะไรเป็นเพื่อนมีอะไรเป็นกาลยานัมิตร มีอะไรคือสิ่งรอบข้างอะไรข้างเคียงผู้สํานวนหนึ่งก็เรียกว่าไม่รู้จักทิศทั้งหกะนะอะไรเป็นทิศเบื้องบนเบืบบบบบบ้องล่างเบื้องต่าเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังมันแสดงว่าเรารู้จักทิศของชีวิตน้อยไปเมื่อเรารู้จักทิศทางของชีวิตน้อยไปมงคลเราก็ไม่เกิดมงคลสามสิบแปดอย่างเราก็ไม่เกิดถ้าพูดคําว่ามงคลไม่เกิดอะไรเกิดแทนถูกไหม อับประมงคนมันลงแทนเหมือนกันอุบาทลงแทนนะสำนวนเพราะว่าอุปัตถวะเนี่ยลงแทนนั่นแหละใช่ไหมชีวิตของเราก็เป็นไปเพื่อความเสียหายความเสียหายลักษณะนี้ถ้าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาคําสอนไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยว่าเสียหายขนาดไหนโลกอันอะไรนําไปโลกอัญชารานําไปโลกอัญชารานําไปไม่ยั่งยืน โลกไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนโลกจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตแห่งตันหาถู ก, กิเลสอวิชชาเป็นต้นกลุ่มรุมเป็นเหมือนกับลูกซ้อนคอยทิ่มแทงจิตใจอยู่ตลอดเวล า, าะฉะนั้นชีวิตของเราเสียหายมากมายมหาศาลโดยที่เราไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นในโลกนี้ภัยใหญ่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือทุกข์แต่ว่าอาวิชชาเนี่ยนะปก รวมหุ้มห่อเอาไว้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกพระผู้มีพระภาคอุปมาเหมือนกับลูกไก่ในฟองไข่อวิชาก็เหมือนกระป๋องฟองไข่ที่ห่อหุ้มเอาไว้อยู่ในโลกแห่งอวิชาเมื่ออยู่ในโลกแห่งอวิชาไม่เคยมองเห็นอริยสัตว์ไม่ได้เคยได้รับแสงสว่างแห่งพระสัจธรรมเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับไข่กลิ้งไปไหนก็กลิ้งไปไม่ได้เดินไปนะถ้าเดินไปก็คือมันออกนอก ฟองและก็สามารถเดินไปได้พระผู้เจเจ้านั้นเป็นผู้ที่ออกออกจากกระเพาะไข่ น, นั้นได้ก่อนจึงนับว่าเป็นพี่พระองค์จึงบอกว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้เลิศที่สุดถ้าหากว่าอยากได้รายละเอียดก็ดูในเวรัญชพรามเวรัญชกันในพระวินัยพิดกเรื่องแรกเลยที่กล่าวถึงพระองค์นั้นเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดของสรรพสสารทั้งหลายเพราะพระพองค์นั้นสามารถชำระจากกองแห่งกิเลสจากกองแห่งอวิชชาได้ เมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพุทธคุณอย่างนี้แล้วเราก็จะได้นับถือท่านถูกต้องเราละลึกถึงท่านก็ละลึกแบบคนเข้าใจความหมายรู้ที่มารู้ที่ไปทำแล้วดีอย่างไรถ้าไม่ทำแล้วเสียหายอย่างไรเราก็จะเข้าใจสิ่งใดก็ตามที่บุคคลทำเพราะรู้อ น, นิสงสิ่งเหล่านั้นจะทำได้ยืดยาวแต่ถ้าสิ่งใดที่ทาด้วยความไม่รู้อ น, นิสงส์ทาไปครั้งสองครั้งระลึกมาจำกวุปยากเลิกก็เลย ทำไปทำมาก็เบื่อไม่สนุกนี้ก็แ ส, สดงว่าเราไม่รู้จักว่าสิ่งนั้นคืออะไรและต่อไปอา น, นิสงส์ของการนอบน้อมพระตนัยเป็นอย่างไรตั้งน้ำโมทุกครั้งเลยเนี่ยนะการนอบน้อมด้วยจิตที่เป็นมหากุสลใช่ไหมมหากุสลนอนั้นเนี่ยให้พลในลักษณะใดดีอย่างไรครั้งก่อนหน้านั้นก็ได้กล่าวว่า มหากุศลนั้นเนี่ยนะถ้าไม่มีกรรมอย่างอื่นซึ่งเป็นอนันตริยกรรมเป็นคารุกรรมเป็นอย่างอื่นซึ่งมันหนักหนาะสาหัสจริงๆกุศลกรรมที่ทําด้วยความรู้ความเข้าใจนอบน้อมในพระธรรมไตรกุศลกรรมอันนี้นําเกิดได้กุศลที่เกิดจากการนอบน้อมล้ำลึกบูชาเนี่ยสามารถทําให้เกิดในตระกูลสูงได้คนที่ตระกูลต่ํำพ่ อ, อไรจนต์ต่ำด้วยอํานาจแห่งมานะกรรมที่ทําด้วยอํานาจแห่งมานะเย่อยิง่ง พยองเป็นต้นเนี่ยนะผู้ที่หนักไปด้วยกิเลส ช, ชนิดนี้มากๆเกิดในภพใดภูมิใดก็จะเป็นคนที่ตระกูลต่ำไปที่ไหนก็ต้องไปขอยกมือกราบประหลอกๆอยากคุยกับเขาเขาก็ยังไม่อยากจะคุยกับเราด้วยเลยอันนี้เป็นโทษของมานะอย่างหนึ่งแต่ผลแห่งการนอบน้อมพระตนตรายเทอทูลบูชาด้วยความเคารพด้วยความยำเกรงเป็นกุศลประเภทนอบน้อมสามารถทาให้เกิดตระกูลสูงได้ ทำไมเอ่ยชื่อบางตระกูลเนี่ยนะคนต้องหลบทางให้เลยนะเออนะตระกูลบางตระกูลเนี่ยขอให้รู้ว่ามาเถอะนะเราเนี่ยหลบให้เลยให้ไปนั่งเป็นประธานเลยเออมีบุญขนาดนั้นเลยบางตระกูลเนี่ยเอ่ยชื่อปุ๊บลองยี่เลยใครมาวะเนี่ยน่ารังเกียจมากเลยนะบางตระกูลเนี่ยเกิดมาเพิ่งได้ยินครั้งแรกในชีวิตอย่างเงี้ยบางตระกูลเนี่ยได้ยินอยู่ทุกวันเหมือนนดังมากถามว่ากุศลเหล่านี้สูงต่ำเพราะอะไรเพราะการโน้บน้อมนั่นเอง แต่ว่าการนอบน้อมไม่ใช่ว่าไปเห็นแพะเห็นแกะเห็นไก่ก็นอบน้อมไปทั้งหมดเองนะไอ้อ น, นั้นก็เรียกว่าไม่บูชาจะปูชาเนียรนางไปบูชาในสิ่งที่ไม่ควรบูชาก็าเป็นอัปมงคลพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ควรบูชาจริงๆทําไมท่านจึงควรบูชาขนาดนั้นเพราะท่านเป็นพระอารหันต์สัมมาสัมพุทธวิชชาจารณนะสัมปันโนอันแต่และความหมายก็ควรเข้าใจให้ท่องแท้เมื่อเราเข้าใจท่องแท้ ในชาตินี้เราก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในในคิดต่างๆชีวิตนี้ก็ขอมอบกายแด่ AK พระรัตนตรัยขอคิดตามท่านเพราะท่านสามารถยังประโยชน์ของเราให้สําเร็จได้สามารถอย่างประโยชน์ของเราให้สําเร็จได้ประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือการถอนตนออกจากสังสารทุกข์ได้ทั้งหมดพระรัตนตรัยช่วยเราได้ ขอให้เรามีใจกับท่านท่านจะแก้ปัญหาให้เราทั้งหมดทีแรกเหมือนกับเราต้องประพฤติ ธ, ธรรมแต่นานๆเข้าธรรมะจะรักษาเราธรรมโมหเว ร, รคติธรรมจารีทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมน้อยที่สุดไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วอย่างถ้าหากว่าเราประพฤติตามพระวินัยทั้งหมดพระวินัยมีอํานาจประโยชน์สิบประการพระธรรมก็สา ม, มารถกํจาจัดปกปิดสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกโดยประการต่างๆ แล้วถ้าหากว่าเรามีความรู้เรื่องพระพุทธคุณมากเท่าไหร่ความเข้าใจในพระธรรมคุณของเราจำมากเท่านั้นธรรมะที่เราพูดพูดกันนั้นถ้าเราไม่มีความเข้าใจพุทธคุณไม่แน่ว่าเราจะใช่ถูกหรือเปล่าในธรรมะบทนั้นๆถ้าหากว่าเราไม่รู้ความประสงค์ของผู้สแสดงยกตัวอย่างเราฟังพระสูตรมาหนึ่งสูตรเนี่ยนะจำได้ถ้าเราไม่รู้ความประสงค์ของผู้สแสดง ธรรมะบทนั้นที่เราทรงจําไว้ได้เนี่ยนะอาจจะไปใช้ผิดไปใช้ผิดใช้อย่างไรใช้ด้วยอํานาจตัณหาเอาธรรมะเป็นต้นเพื่อการค่าปราถนาลาบสการะอันนี้อย่างหนึ่งอันหนึ่งก็คือเอาธรรมะวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งแห่งมารนณะ์เยอยินบาปอกุศลธรรมก็จะเกิดมากมายในจิตสันดานเพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจคุณของพระพุทธเจ้าว่า พระองค์นั้นแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อะไรเมื่อเขาไม่เข้าใจเขาก็จะเอาพระธรรมไปใช้แบบผิดๆจนได้ลาบสการะชื่อเสียงเป็นต้นก็ขึ้นหลังเสือเลยคันนี้ลงไม่ได้กลายเป็นเหมือนกับาศาสนาใหม่อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยมาเรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไม่มีผู้ใดทาลายาศาสนาของพระองค์ได้เหมือนกับราชสีไม่มีสัตว์ตัวใดกล้ากินเนื้อมัน เพราะเป็นราชาแห่งสัตว์ราชสีเนี่ยก็สีหาก็คือความแกล้าราชาก็คือพระราชาความเป็นราชาแห่งหมูเนื้อทั้งหมดราชสีไม่ใช่สิงโตนะคนละอย่างเพราะฉะนั้นราชสีนี้สัตว์ที่จะกล้ากินเนื้อราชสีได้ก็คือนอนในตัวราชสีเท่านั้นแหละที่มันจะชอนชัยกินเนื้อมัน สัตว์เป็นๆ เ, เนี่ยนะคนที่จะกินเนื้อมันได้เนี่ยนะก็คือพวกหนอนที่อยู่ในตัวนั่นเองที่จะกินเนื้อของตัวเราได้โรคภัยไข้เจ็บนั้นมันจะกินภัยในได้คําสอนของพระผู้มีพระภาคคนที่ทําลายก็คือพุทธศาสนิกชนเท่านั้นไม่มีลัทธิอื่นาศาสนาอื่นที่ใดจะมาทําลายคําสอนของพระผู้มีพระภาคได้ในโลกนี้ไม่มีใครทําลายได้แต่เราทั้งหลายทําลายพระาศาสนาออกจากใจของเราไปมากกันนะ้ะถามว่ า, าศาสนาอยู่ที่ไหน ศาสนาไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ที่ศาลาที่อารามอยู่ที่วัดอยู่ที่ว่าอยู่ที่ไหนนะพระศาสนาประดิษฐานอยู่ที่จิตใจของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น น, น, นั่นแหละเมื่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนั้นไม่มีความเข้าใจทราบซึ้งในคุณของพระรตนะตรยัยศาสนาก็หมดไปจากใจของเขาแล้วเมื่อศาสนาหมดไปจากใจของเขาเขาก็ชี้ศาสนาแบบคนตาบอดชี้ไม่มีความรู้ความเข้าใจก็วิจารณ์พระพุทธเจ้า พระองค์เป็นอย่างนั้นถ้าองค์เป็นอย่างนี้เป็นต้นนี่คือโทษที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนึกถึงคําโบราณที่เขาถามมาบวชมารู้ณรู้โมหรือยอย่างนั้นท่านก็ถามมาอย่างนั้น